Yeah. Uh -huh. Paul. Oh. Yeah.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 ท่านสิลุล์อ ا ลกิ ا ل ل ิมีนอัลลอฮิลอาซิซีِฮะกิَอิَ ا ัِ وَالْأَرْضِ อَร์ดิลอายา ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن َ ك م وما ي ب ّ من د ا ب ت آيات لقوم يؤمنون. اختلاف الليل والنهر. ا ل ل ه ومن السماء ميرضٍ فأحيا به الأرض بعد موتها. و ت ص ر في الرياح آيات لقوم يعقلون. و ت ص ر في الرياح آيات لقوم يعقلون. ค่าอาَ ا ตุอัลลอฮินัตโ عليك بالحق فلئ ع ه ك ب ا ل ِ ه ق ت َ منو ف ي الله أ ي حديث بعد الله وآياته يؤمن ในอัลกุสฺมิลลาฮฺ ح ฺลลอหฺมานฺอฺลรํา ه ี ن ีนั่นลําพัมด์ลิลลาหฺ ا ل ل ه พ ن มด์หฺว์และนําสําเญหฺว์และ ن ําส ه กฟิ ه ฺห์์และนําอํว๊ดบ ل ลลาหฺ์มิ่นชูรฺร์อั ل ฟุสฺนําะและมิ่นไซฺยต์อั ه มาร์นําะไม่ยั่งดีลิ ا, أ, إ, أ ل l a h u m m a bika asbahna و bika amsayna و b i ن a nahya و bika namutu wa yuleikan nushur أعوذ بكلمات الله ت ا ل ى مات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يدري مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس عليم رضيء بالله رب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 ลาอิลลาอัลลอฮฺอู حد ะฮฺลา شركلا له الملک وله الحمد وعلي كل شيء قدير السلام عليكم رحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมัสการศพที่มัสยิดอันบาริสุนนะที่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนะครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตัซอัลกุรอานที่ผ่านเฟบสวรรค์ในบ้าน ที่รักทั้งหลายครับบารฮัมดุลิลละไม่มีอะไรดีเท่ากับการขอบคุณอัลลอฮ์เพราะการขอบคุณอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์นั้นเป็นอามันที่ประเสริฐที่สุดกุรานะยานไหนที่บอกว่าการนึกถึงอัลลอฮ์นั้นเป็นอามันที่ประเสริฐแล้วทำหัวใจสงบด้วยเราในต้องการความสงบทางด้านหัวใจ มีอยู่ทางเดียวก็คือนึกถึงอัลลอ์ท่านนึกถึงเงินเยอะๆนึกถึงตำแหน่งตำแหน่งชื่อเสียงเนี่ยสามสี่รายการที่เป็นตัวแทนดุงยา่านนึกถึงมันเยอะๆน่ยแล้วก็คีเหนียวได้ห่วงด้วยไม่อยากให้มันหมดไปเจาตัวเราเครียดแต่นั่งถึงนึกถึงอัลลอ์ Allah, ตามที่ท่านอะบีได้ให้รูปแบบไว้เนี่ยหัวใจสงบ 阿拉บิซิครินลาฮิตัดมาอินนุลโกลูจงรู้ไว้เถิดว่าโดยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละจะทําให้หัวใจสงบ <c oughs> นึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอ่านคุณอานก็นึกถึงอัลลอฮ์นมาฎก็นึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ บ, บริจากรนึกถึงอัลลอฮ์ทำความดีกับพ่อแม่ก็นึกถึงอัลลอฮ์ทำความดีกับเพื่อนฝูง เอาสุนทรบีมาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยนี่เป็นการรำลึกถึงอัรรถทั้งหมดนึกถึงความตายทายโห่ใจสงบนึกถึงชีวิตในสุสานวันนี้ขอบคุณอรรถนะครับที่เราทบทวนอัลกุรอานมาจบจ บ, บแล้วนะครับสุรออาทิติแล้วเท่าไหร่นะสุรออัล ด, ดุคอนดุคอนแปลว่าสมกุกดุคอนแปลว่าอะไรนะ ไอควันไ อ, อควันเนมีสองครั้งจะมีอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆวันเกียมากเนี่ยเนี่ยรเล่าให้ฟังและเป็นเรื่องจริงทั้งหมด <c oughs> วันนี้มาขึ้นสูรอาอาลยาเซีย <c oughs> สุราอัดดูคอเนี่ยสองอายาสุดท้ายเนี่ยไป้องสังเกตดูสิฟะลมมา ยาสั่นนาหูบิลิซานิกะลัลลอฮุมยาตาตการุเนี่ยอัลลอฮ้ฟังเบกากูรานเนี่ยอัลลอฮลงภาษาลงมาเป็นภาษาอาหรับภาษาของนบีอาลีซานิกมาถึงภาษาของนบีเพื่อ ง, ง่ายแก่การที่นบีจะได้อธิบายและคนอื่นด้วยคนที่มาใช่อารับก็พูดอารับลำบากพวกเราใช่ไหมล่ะ พออา่านกุณอานไปเรียนไปนี่มันก็ง่ายอ่ายาสัตนาฟาอินนามายาสัตนาฮุบิลิซานีก็อลัลลอฮ์ทำให้ง่ายได้แค้คนที่อา่านคุณอานนี่นอลัลลอฮ์จะให้ความสะดวกความง่ายได้ที่จะเป็นมุสลิมก็ง่ายได้จะปฏิบัติศาสนาก็ง่ายได้เชื่ออลัลลอฮ์ครับอลัลลอฮ์ทราว่ายาสัตนาเราทําให้อีซี่แปล ว, ว่าสะดวกสบายเดินตามนั้น คนลุกขึ้นนมาต่ถ้าหุดเนี่ยทำไม่เนียดไว้ก่อนเนี่ยขึ้นไหวไหมล่ะทําไม่เนียดมาก่อนน่ยขึ้นไม่ไหวต้องต้องเนียดก่อนแล้วขอมาต่อรอรอจ่าอยากจะลุกขึ้นนมาแต่ถ้าหยุดคืนเนียเนียดซะก่อนนอนกอน็อาบน้าน้ำมาก่อนแปรงฟันก่อนตะบัดที่นอนก่อนตะปัดที่นอนเป็นาศาสนานี่ยเพราะว่าผมเคยไม่ตะปัด ว่าคำอดูบนที่โนอโนอโลอะไรนะมีฝุ่นมีอะไรว่างนั่นแหละเข้าใจเลยว่าการที่นบีสั่งให้ตะปาที่มันเพื่อสุขภาพไม่ใช่เพื่ออะไรเลยเพื่อสุขภาพแล้วก็เชื่ออัลลอฮ์เชื่อนบีนะครับทีนี้ <c oughs> อ่านคุรานนะครับอัลลอฮ์ให้ความสะดวกสบายง่ายดายนี่เด็กๆที่อ่านกรุรานฝึกอ่านคุรานพอโตเราก็อ่านคล่องแล้วใช่ไหม ลรท่องจำอัานกุอานก็ไม่ยากเอาะให้หมดให้ความสะดวกสบายนะครับคนแก่ๆเนี่ยที่เป็นนอนอะไรติดเตียงเนี่ยอไอเรื่องเก่าๆก็ลืมหมดแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ลืมคือกุอานจะอายุขนาดไหนก็ตามลืมลูกหลานลืมชื่อเอ้ในลูกหรือหลานเนี่ยชื่ออะไรลืมไปแล้วพอแก แต่สิ่งหนึ่งกอ่านไม่ลืมเนี่ยคือความประเสริฐที่อัลลอ์ให้ฟอนนมายสบอหุมยตกรูเพื่อท่านทั้งหลายจะได้อากุรอานน่ะมาเป็นข้อเตือนใจเราเป็นคนดีได้เนี่ะพอดูอัลกุรอานน่ะถ้าทิ้งอัลกุราอานมอไรนะอัลลอ์ให้เพลินให้อร่อยนะครับไม่ลำบากด้วยทานหลังให้อิสลามเนี่ยไม่ลำบากนะ อล่อให้อันเดอรเพลินอร่อยจะไปชอทกทรมานตอนไหนก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างส0บนาที15บหนาทีจะเห็นุนเรยวันนี้คือการทรมานครับอายาสุทาของของสุราอัลอัุคอนฟัรตกิฟฟัรตกิิจงรอคอยคืออร้อเนี่ยไม่ลงโทษคนไม่เอาศาสนาน ต้องเข้าใจนะครอบครัวเราไม่เอาศาสนาอาลัลลอฮ์ไม่ลงโทษเราครับไม่ตัดเงินเดือนด้วยแม่อ่านกุรานทั้งชีวิตก็เรื่องของเองเอลัลลอฮ์ไม่ว่าอะไรเลยพี่น้องแต่อลัลลอฮ์จะมีอะไรเนาะรีคอร์ดเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็ น, นบีก็ขอดูอาไว้โอ้อลัลลอฮ์จะอย่าเพิ่งมาทําลายคนที่ไม่เอาอิสลามเลยเถอะขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ อลัลลอจะอย่าเพิ่งลงโทษพวกเขาเถอขดขณะที่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งกำลังเดินต่อว่าอยู่ที่กาบะอย่าเพิ่งลงโทษอลัลลอฮรับหุอาของนบีครับแ ล, ล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ลงโทษใครนานๆจะเล่น ง, งานสักทีหนึ่งอย่างโรคโควิดนี่มาเตือนให้สานึกเองเลิกซะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนึกถึงอลัลลอฮฺชีฟัตตักิบจงรอ รอการลงโทษจากอลรรณะแต่ตอนนี้ประวิงเวลาไว้ประวิงเวลาเป็นความดีนะให้เขาได้มาสํานึกตัวหันมาเรียนศาสนาให้เวลาตั้งหลายปีสี่สิบปีห้าสิบปีไม่หันมาจับกูนานเลยหนังสือทุกเลขจับไดย้ยกเว้นกูนานกูต้องเหยียบอย่างที่พระมีองค์ก็เหยียบไปสิก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยแต่วันนี้มีคนฟ้องแล้วนะ <laughs> ก็จะหาไม่ตาบ้าตัวนะถูกเล่นงานก่อนตายชีวิตของพระองค์เนี้ยถูกเล่นงานจริงๆครับอลัลลอฮ์ไม่ปล่อยเนี่ยอัลลอฮ์สั่งเนี่ยฟัตตะกิบเองรอไปอินนาหุมมุตตะกิบูนแทงยิงพวกเขาก็ก็ต้องรอต่างคนต่างรอนบีก็รอมุมินผู้ศรัทธาต่อบรอก็รอรอรางวาัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์ถ้าเป็นคนดีถ้าเป็นคนชั่วก็ร อ, ก, รอการลงโทษจากอาลัลลอฮ์ วันนี้มาสรุปอัลจาร์สยอัลจาร์สยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคุกเข่าคุกเข่าเนี่อล้อเล่าภาพในวันเตี่ยมาตายไปก่อนแล้วก็ฟื้นขึ้นมาคือเราเนี่ยตายกี่ครั้งตายสองแล้วก็เกิดสอง ถ้าไม่ฟังศาสนาเนี่ยมาวานพูดใบบรรยาที่ไหนเมื่อคืนเนี่ยมันถามว่าคนในตายกี่ครั้งส่วนใหญ่เนาะประมาณ80ปอร์ตายครั้งเดียวแล้วก็ฟื้นครั้งเดียวนั่นคือไม่ไม่ฟังศาสนากันเงี้ยถ้าฟื้นครั้งเดียวตายตา ย, ตายครั้งเดียววันเกียมมาจะมีไหมไม่มีมันต้องเชื่อว่าตายสองครั้งแล้วก็ฟื้นสองครั้งกุณอ่านหนายัไงในสุดว่าบักรอที่อายเราจะเจอ ว่าคฟะตักฟูรูนนบิลลาฮิวาคุณตุมอัมวาต้าฟะอัยักุมซุมมายุมิทุกุมซุมมายุฮัยยุคุมซุมมายลาฮิตุลจาอนคุณจะปฏิเสธอัลลอฮ์ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์ไม่มีครั้งแรกคุณเนี่ยอยู่ในสภาพคนตายฟะอัยักุมระมับมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาไปนี้มีชีวิตครั้งครั้งครั้งแรก สุมมายูมีจุกุมจะอยู่ไปอยู่ไปแล้วตายอ่ะนี่ตายครั้งที่สองนะซุ ม, มาโยฮีกุมลเฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งต่างหางกันน่ะวันเกี้ย ม, มานู่นสุ ม, มาอีไลตูเจียวแล้วก็กลับไปหาอลัลลอฮ์มาเลยไปยืน อ, อยู่อยู่ทุกมาาัสยัดไปพบเั้อัลลอฮ์ที่นั่นแล้วคุณจะไปดิเสตอลัลลอฮ์ได้ยังไงฉะนั้นตายครั้งแรกเนี่ยตอนที่เราอยู่ในวิญญาณต้องเข้าใจแบบนี้ด้วย ถ้าอัลลอฮ์ไม่อ่านคุอ่านจะไม่พบพระอ่านคุอ่านจะจุโอ้ใช่เลยแล้วก็อัลลอ์เรียกวิญญาณมาประชุมอัลลสตูเบรอบิคุมาเราถามวิญญาณทั้งหมดทุกดวงเลยอ่ะันนี้เป็นรอบของพวกท่านใช่ไหมรับระถึงพระผู้อพิบาลทุกวิญญาณตอบว่านามท่านเนี่ยเป็นรบทุกวิญญาณตอบอย่างนี้หมดเพราะเห็นอัลลอ์ ในตับซิสอธิบายว่าเขาเห็นอลรถพอวิญญาณมาอยู่ในร่างคนปั๊บนี้ม่ให้เห็นแล้วพิสูจน์เองเชื่อเบาว่าอรรมีตกนรกกันเต็มเลยไงยิ่งด่านบีมอ ม, มัดอีกดากุรอานอีกจบเลยพี่น้องเลยสมองไม่เปิดพออ่าอนกุรอาน ป, ปั๊บโอ้คำรู้อยู่จุนีืหมดเลยเป็นกรารพีกรุรอานหมดเลย ดันไม่อ่านคุอานนึแหลงคือความรู้ทั้งหมดตรงนี้นึกว่ายาูดีแหลงความรู้รไม่ใช่เอาอิสลามไปใช่แต่ไม่บอกที่มาเท่านั้นเอง <c oughs> เอายาซียแปลว่าคุกเขา่าในคุณอ่านในสุรสัชาซียญาิที่ยี่สิบแปดเราเล่าบอกว่าในวันเกียม์นะวตารอ กุลละอุมมาตินยาสียะและเจ้ามูฮัมหมัดจะได้เห็นนี่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงในวันเกียง ม, มามูฮัมหมัดจะเห็นชนทุกชาติตั้งแต่อาดามยุคขึ้นมาถึงยุคมูฮัมหมัดยุคสุดท้ายเนี่ยนั่งคุกเข่ากันหมดเลยคุกเข่าเนี่ยมันจะดีใจนะกลัวกลัวเราจะเล่นงาน พอเห็นนรกมาเห็นสวรรค์มาแล้วกูจะไปรอดหรือเปล่าเนี่ยนั่งคุกข่าวโตสะาอย่างนี้เดิกเด็กเด็ดนี่ล่าให้ฟังล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับแล้วเราก็เล่าอีกว่ากุลุอุมมะตินตุนาอิลากีตาบิฮาทุกทุกชาติจนถูกเรียกตามบันทึกของมัน อลัลลอฮ์มีสมุดบันทึกแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมีหมดทุกคนไม่ยกเว้นใครมีสมุดบันทึก <c oughs> แล้วก็มีมาราัยกาอยู่ซ้ายขวาใช่ไหมที่เราเรียนกันมาศึ่อากันมาแต่มองเห็นไหมล่ะพิสูจนปลว่าเองว่ามีมาราัยกาถ้าไม่เชื่อก็เรื่องเองอ่ะใครชิมหายอ่ะก็ตัวเองชิมหายเอง <c oughs> แต่ถ้าระวังตัวออ้นี่มาลัยการมีบ like. ันทึกเรื well. ่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องจิตที่ซ้ายมือบันทึกเรื่องไม่ดีขวามือบันทึกเรื่องดีแล้วก็สบายใจอ่ะแต่นี่ไอ้บัญชีนั่นแหละจะถูกกลางแผ่ในวันเกียร์มาน่าหงายไหมอะแล้วต่อมากับว่ากุลละอินซานินอัลจำนาฮูตออิรหูฟิอูนุคีว่านุคริจุลหูยาวมันกิ亚马ติยลกาหูมันชูรอ มนุษย์ทุกคนไม่ยกเว้นใครเราได้คล้องของคอของเขาเนี่ยสมุดบันทึกเนี่ยอยู่อยู่ที่คออยู่ตรงไหนรู้ได้ยังไงเราไม่รู้เป็นความลับแต่เล่าให้ฟังมาอยู่คล้องที่คอของคุณนะแล้วพวกเขาเนี่ยจะถุงนำเอามาแล้วคุณก็จะอ่านมันอล๋อบัถู ก, กลางแพร่อยู่ต่งหน้าคุณเลยนะ เป็นภาษาที่คุณอ่านอ่านอ่านเข้าใจง่ายทุกคนเป็นแบบนี้หมดถือถึงนบี ว, ว่าฉันน่ากลัวถ้าต้องการจะพบฉันในนี้อยู่สามแห่งที่ตุงมาชาัดนะตอนช่าง ท, ที่ที่ช่างตาช่างอ่ะช่า ง, งผลงานช่างนมาช่างอ่านกูนอ่านช่างทําดีกับพ่อแม่ทําดีกับภรรยาเอา้าวพอช่างปรับรู้หมดเลยเออเองนี่ตบเนี่ย แปสบครั้งนี่เตะเมียสิบครั้งนี่เอาเงินไม่ให้เมียเลยเพราะช่างตาชังปรับรูมหมดเลยอะ่ะอย่าลืมว่านงานของอัลลอฮ์ทั้งหมดะะนะท่านมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยรัะบาลอันกุอัอมานี่เพื่อคนนะไม่ใช่เพื่อแมวนะคนดันดันไม่อาดีกันดันเยียบเ อ, อี๊ยงกันทอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาโลกใบนี้จะดีจะเด่นเพราะคนจะตกต่ำก็เพราะคน ถึงน บ, บีกุลอาตีพูดบอกว่าคนรวยกับคนอาเลมอัสะคนที่มีฐานะกันเงินดีอลลุลลฟาวดลิกกับคนที่มีวิชาความรู้สองกลุ่มนี้นะทาให้โลกเจริญก็ได้ก็ทําให้โลกวิบัติก็ได้สองกลุ่มสองกลุ่มเนี่ยอาเลมเอลัละมาทั่วโลกถ้ารวมตัวกันทําลายโลกได้ไหมได้กับคนรวยๆที่อลัลลอ์ให้เนี่ย รวมตัวกันทำลายโลกได้ไหมได้อัละลอฮ์เลยยกด้เ ร, รียองุณอ่านคนที่มีฐานะการเงินกับคนที่มีความรู้ต้องดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์ถึงอิสลามจะ increasing increasing เจริญเจริญเจริญเจถ้าเองดูถูอิสลามมาไายก็อิสลามก็ไม่มีแต่อลัลลอฮ์ยังอยู่ละใครจะแย่มนุษย์ที่จะแย่ไม่มีตัวอย่างที่ไม่มีเสียงอ่านคุณอา่านไม่มีเสียงอาจารไม่มีมัจเิกใครอ่ะ ใครอ่ะใครวิบตัติมนุษย์วิบัติเองฉะนั้นสองกลุ่มเนี่ยหนึ่งคนมีกระตังต้องเรียนาศาสนาโดยคนมีตังละแล้วก็คนอาเลียมโอลามากก็ต้องคนรั่ก็ต้องดูแลเขาด้วยเขาต้องดูแลผมหรอครับเอาลอดดูแลผมเี่กคุยนี่มาจะเอาข้าวข้างตัวนะให้ดูแลโรงเรียนสอนสาศาสนาเขาจะได้มีมีเงินเดือนสอนให้ครูมาสอนสาศาสนาให้เงินเดือนเขานาะเนี่ยแปกนิดนิดนะ ห้าพันมืนน่นนึงจะไปพออะไรล่ะทำงานอย่างอื่นเดือนสี่มือน อ, อ๋อห้ามืน่นแล้วคนก็นอยากอยเรียนศาสนาอยู่ที่พวกเราเราจัดการกันเองเ อ, เ อ, อ้ําอพอพอยาวไปเอาต่อมาครับดูกุรานะฮามม บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรหีบันิฉันขอเริ่มต้นคุณอ่านสุรนี้ด้วยกาะไรนะอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาประณีผู้ทรงเมตตาเสมอคาําว่ารัฮมาเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยอะไรนะกรุณาประณีกับคนทุกคนคนนั้นจะเอ า, าศาสนาไม่เอ า, าศาสนาอัลลอฮ์ดูแลหมดแต่ดูแลต่างกันนิดนึงนะดูแลคนไม่เอ า, าศาสนาให้อาหารแบบเราให้อาหารกับหนู มุมินผูดสัทธาต่อร้อยอยู่บนโลกดุูยาแบบนี้อรรรคก็ดูแลแบบเราให้อาหารกับนกเขาที่เราเลี้ยงอธิบายยังไงให้นกเขาเนี่ยให้ด้วยความอะไรนะด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงเพราะเสียงมันไพ่เราเราก็มันไส้หนูที่มันวิ่งอยู่ในครัวเราจับมันก็ไม่ได้มันวิ่งไวกว่าเราเราก็ต้องหาวิธีจับ ซื้อกงมาแล้วเอาอาหารใส่ไปในกงถามว่าอาหารที่ใส่ในกงเนี่ยเราให้เพราะความรักมันเรื่อมันไส้มันเข้าใจง่ายไม่เข้าใจก็เรื่องเองแล้วเพื่อปฏิบายิได้แค่นี้เนี่ยมันง่ายที่สุดแล้วนะไม่เข้าใจก็เองก็ตัวไปข อ, อาารัวอลลอฮฺจะเปิดใจเขอยังไม่เข้าใจเลยนะเราเลี้ยงอาหารให้หนูกินนะให้ด้วยความมันไส้มองเป็นความรักเองเข้าใจผิดแล้วละ ป, ประเด็นใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวหลังว่า จะอยู่แบบหนูหรือจะอยู่แบบนกขาวเอาเลือกเอาเ <laughs> อรารอใหเนี่ยรอเลี้ยงเฉพาะอาคริล น, น ะ, ะเฉพาะมู่ศรัทธาต่ออลัลลอ์เท่านั้นคนที่แมเ อ, อิสลามอย่างฟาโร่เนี่ยกอรูนฮามานเนี่ยอันนี้แน่นอนเลยครับเองเจอหน้าแน่ครับเอาต่อมาครับฮามี تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ต้นเซล์ الكتاب ที่น่าจะเป็นการประทานลงมา การประทานลงมาของอัลกุรอานอัลกิตาหมายถึงคำภี่เล่มนี้ที่ใส่เป็นน้องจับอยู่นี่แหละ <c oughs> ก่อนที่อัลลอฮฺจะประทานกุรอาน ล, ลงมาอัลลอฮฺเคลียร์ท้องฟ้าก่อนเคลียร์ท้องฟ้าก่อนนะเคลียร์ท้องฟ้าทําอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยไซตตอนขึ้นไปเพ่นพลานอยู่ข้างบนไซตตอนยินยินเล็วๆอ่ะไปเพ่นพ่านอยู่ข้างบน ขึ้นไปฟังเรื่องราวที่อัลลอสั่งให้มาลิกะทำนั้นทำนี้ทำนี้ทำนั้นแล้วก็ลงมาหาหมอดูข้างล่างนี่ยินชัยตอนผมู้หมอดูกาอา็อาศัยอาศัยได้นะอาศัยชัยตอนนั่นแหละแล้วก่อนจะมานี่นะก่อนที่ชัยตอนจะมาหาหมอดูเนี่ยสั ญ, ญลักษณ์นะถ้าสังเกตนะจะหาสักห้าหครั้งหาก่อน แล้วหาวนี่อ้าป่าอย่างเดียวอานุสบิลละก็ว่าไม่เป็นนี่หมอดูบนโลกดุนยาใบนี้นบีก็ถามเหมือนกันแต่นบีสรเ น, นี่ยเมื่อปิดตาอนาอนุสบิลละในตอนนี้เรายีบมแต่พอหารหลักให้อิสลามปั๊บเลยไม่รู้ว่าหาคนคนจะว่าอะไรบางคนฮ่าไม่ไหมนะใช่ไหมก็ปล่อยไปเรามีหน้าที่สอนทีนี้เคลียร์ท้งฟ้านนะ วันที่อลัลลอฮ์จะประทานกรุาาลง ม, มาให้กับนบีมุฮัมมัดเนี่ยอลัลลอฮ์เคลียวท้องฟ้าไม่อนุญาตให้ใช้ตอนขึ้นไปเพื่อนพานอยู่ข้างบนขนาดห้ามแล้วนะมันยังขึ้นมันไปแอบงานอะไรไปแอบที่ก้อนเมฆอลัลลอ์ก็ส่งเลยนะอะไรดวงดาวเรียกว่าดาวตกนะรูจูมันลิชยาตีนเอาดาวตกลงมาเพื่อนไล่ใช้ตอน เมื่อดาวตกเมื่ออาทิตย์แล้วเนี่ยจ้ะไปดูกันที่ไหนไม่ทราบวะแล้วก็ น, นึกเองไปดูดาวตกเองนึกถึงอลรรค์หรือเปล่าวะเป็นห่วงอะ่ะไปดูดาวตกใครให้ตกมาชัยตกมาเองให้ตกมาทําไมต้องนึกต้องอาศัยตัวครูด้วยนะงานเนี่ยมาช่กูแน่กูเก่งกูไม่อาศัยใครแต่กูอ ย, อยู่เอง เดินตามตะวันตกเองเจอจะความวิบัติวิบัติวิบนะัติหนาไม่ได้ถึงอัลลอ์เลยฉะนั้นอัลลอ์ให้ระดวงดาวเนี่ยพุ่งไล่ชายตอนไม่ให้แอบฟังเรื่องสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เล่าให้มาละอิก้าฟังให้มาทำโน้นทำนี้ทำนี้ทำนั้นนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับต่อมาครับ แต่เรื่องลกกิตการประทานอัลกุรอาน ล, ลงมาให้กับท่านนาบีมีสองแห่งนะมักการการบดดินนักเท่านั้นแล้วก็มียุคโกลหนึ่งบอกว่าอาลลัลลอฮฺเนี่ยลงลงลงอักุรอานให้ผิดให้กับมุฮัมมัดธรรมะเขาให้กับไซนาอลัลีเนี่ยพวกอยไปแตะชื่อกัน น, ะนั่นก็นี่เขาใจผิดหมดเลยนะ กูรณาเนี้ประทานให้กับนบีมูฮัมหมัดคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวกระจายนะและ้วกูรณาเนี่ยลงมาให้กับนบีมาลงที่หัวใจดนใจนบีบางทีก็มาในหลายรูปแบบบางทีมานั่งยิบรีนมานั่งแล้อ่านให้นบีฟังบางทีก็ดนใจบางทีก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเสียงแบบโทรศัพท์เข้าหูเรานะ่ะมีอยู่สามมทั้งหมดแปดวิธีแต่ไม่มีเวลาเล่านะครับ ตัซีลุลกิตการประทานลงมาของคำพ์นี้มาจากอัลลอ์มินอัลลอฮมาที่จากอัลลอฮ์สิทธิ์อัลลอ์มีอะไรบ้างอัจีสผู้ทรงอำนาจภาษาไทยก็เข้าใจแล้วนะอำนาจแปลว่าอะไรว่ามีอำนาจอะอำนาจเยอะสองอัลฮากีมผู้ทรงปรีชาญาณรู้หมดเลยทุกเรื่องเรานั่งตรงนี้อัลลอ์ก็รู้ว่าทำอะไรกันแล้วหัวใจเราคิดอะไร อกคดีดาของคนของอกคดีดาของชาวซาลับเนี่ยของซาฮาบานะบีเนี่ยอลัลลอฮ์เนี่ยอยู่ฟิซซามะแต่ความรู้ของอลัลลอฮ์เนี่ย everywhere ความรู้ของอลัลลอฮ์เนี่ย everywhere อยู่ทุกหน ท, ทุกแห่งแต่ซึ่งอลัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าอยู่ยังไงไม่รู้ห้ามวิจารณห้ามถามอิมามมลิกีว่าห้ามถามนะถ้าถามไม่เบญจานนะให้รู้ว่าเราอยู่บนอารัตบาลังพอแล้ว แล้วก็ไม่ใช่เอาลอ์อยู่ everywhere นี่ไม่ใช่นะความรู้ของอัลลอฮ์อัลล์ can see everywhere listen everywhere และแคดู everywhere แต่ว่าศาสอัลลอ์อยู่บนบัลลังก์อยู่บนชาน้าเรื่องนี้ผมถูกดานะเนี่ยงานที่พูดเนี่ยผกดานะมุิฟาเพี้ยนแล้วค อ, อานนะอัลลอ์อยู่บนบัลลังก์นี่เพี้ยนพะมีอยู่คนว่าอัลลอ์อยู่ everywhere เดี๋ยวนี้สายสายก็โทรมาแล้ว จานแป๊บพิษมันเป็นไรครับตันซีลุลกีตาบิมินอัลลอฮ์การประทานลงมาของคัมภีร์นี้มาจาก الله الله อัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงอะไรครับอาซีสผู้ทรงอำนาจอัลอาซีสด้วยนะมีอลีฟลามด้วยอัลฮักกิมผู้ทรงปริชาญอัลลอฮ์อัลกุบะ อัตมาอายะที่สามอินนฟิศมาวะทิวัลออรดลายะติลิลมุ ل ل ่มินินอินนฟิศมาวะทิวัลออรดลายะติลิลมุ่มินินล่าอีกนิดหนึ่ง วันที่นบีอพยพจากนกครมักกะไปที่นครม ด, ดี น, ะนานบีสร้างบ้านก่อนหรือสร้างสร้างสุราวก่อน <c oughs> พูอย่างนี้มันกระเทือนเยอะนะพวกเราเยวันนี้นะจะไปนาะกูสร้างบ้านก่อนผมถามหลายคนถ้าคุณมีเงินสักร้อยล้านสิบล้านคุณทำอะไรก่อนผมสร้างบ้านก่อนครับ เระไปทำพยาเราให้ลูกฉะนั้นมีกี่มีไม่กี่คนผมจ่ายอากาศก่อนเรื่องอากาศไม่มีใครนึกเรื่องอากาศสวัสดกิวกวักกาฟฮ ادي ยาไม่เคยนึกไม่คิดจะให้ใครแต่นบีเนี่ยเป็นคนเป็นบุคคลตัวอย่างให้จนหมดท่านอบูบักรให้หมดท่นนานไซยาุมัดให้หมด อิสลามมาถึงพวกเราวันนี้ถ้าพวกเขาขี้เหนียวนะอิสลามม่ถึงพวกเราครับจะต้องพวกเขาในใจบุญในอิมานอัลลอฮ์สงสารเมตตาคนทุกคนอิสลามมาถึงพวกเราอ่ะตกลงว่านาบีไปถึงนครมดินาเนี่ยสร้างมัสยิดก่อนสร้างบ้านทีหลังสร้างมัสยิดประมาณหกเดือนจบเสร็จแล้วก็นบีไปอยู่ที่บ้านใครเขาแย่งกันให้นบีไปอยู่ที่บ้าน นบีบอกฉันปล่อยให้อูดฉันดูอูดฉันถ้าอูดฉันเนี่ยไปนอนอยู่หน้าบ้านใครบ้านนั้นแหละเป็นบ้านที่ฉันจะไปนอนไปอาศัยอูดไปนอนอยู่หน้าบ้านอายุอัอันสอ ร, รีเราดีอนอขงอันดูทุกคนอยากให้นบีไปอยู่ที่บ้านกันหมดบ้านอายุมีสองชัน้นท่านอายุบอกนบีครับอยู่ข้างบน เพราะท่านเป็นคนสําคัญอยู่ข้างล่างไม่ได้ต้องอยู่ข้างบนเยาวาฮีมาก็ต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมถ้าชั้นอยู่ข้างบนวยาวะฮีมาก็ต้องผ่านชั้นอีกโอ้โหกลัวไปหมดเลยใช่ไหมนั่นคนที่เข้าใจศาสนาพี่อกท่นอยู่ข้างบนไม่ได้ถ้าแขกมาหาชั้นต้องขึ้นไปข้างบนท่านขอนั่งข้างล่างก็ท่านนั่งอยู่ข้างล่างหกเดือน อายุปเปล่าเองผมกลัวมากกลัววะฮีจะผ่านฉันเวนลาวะฮีมายิบรีนพามาใช่ไหมมันต้องผ่านชั้นชสองก่อนใช่ไหมเรามาชัา้นหนึ่งอ่ะกลัวนั่นคนที่เขาเข้าใจกุลอานเข้าใจศาสนาเขากลัวกัวกลัวยิบรีนว่าตัวเองสกปรกหรือเปล่าสะอาดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะอิสลามนี่สะอาดอย่างเดียวเลยนะเรื่องสะอาดมากแลยครับอัลลอฮ์ น, นบีอยู่ประมาณหกเดือนพอสร้างสุเหร่า เสร็จแล้วก็สร้างบ้านนาบีที่หลังเนี่ยเอาความคิดความความรู้สึกแบบนบีเนี่ยไปใช้ด้วยอย่าทำอะไรเพื่อเพื่อตัวเองทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อมัสเพื่ออิสลามเพื่ออิสลามเพื่ออิสลา ม, ออลามและอิจะให้อัลลอฮ์จะให้บรรากาศ ก, กับชีวิตของเรานะครับอินนฟิศมะวะติวะอัลดีและายติลลุลมุมมินอินนาแปลว่านะ แท้จริงฟิสามาวสมาวตเป็นปวงพจนธนะฉั้นฟ้าทั้งหลายแท้จริงชันฟ้าทั้งหลา ย, ย, าาลายวันอาร์ตเอิร์ธอาร์ตภาษาอังกฤษอราบช้คำโม่จะภาษาอ ร, รับไปขอยืมจะบอกโง่ขอยืมภาษาอรับไปใช้เอิร์ธอิร์ธแผ่นดิน อลัลลอ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินอลัลลอฮ์พูดเองนะชันสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนมนุษย์และเอดิสซิงอินโดเวิร์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อลัลลอฮ์สร้างแต่เพียงพู้เดียวสร้างมาทาไมครับชั้นฟ้ากับแผ่นดินและอายาตินมีสัญญาณมีสัญญาณ อาญะตุลบริเอกรพศอาญาตมีสัญญาณหลายหลายสัญญาณเนี่ยดูสับคุณอ่านอัลลอฮฺเห็นไหมกุณอ่านนี่ก็สัญญาณต้นไม้ก็สัญญาณชั้นฟ้าก็สัญญาณแผ่นดินก็สัญญาณดวงอาทิตย์ก็สัญญาณดวงจันทร์ก็สัญญาณคุณอ่านก็สัญญาณอาญาต์เหมือนกันนี่อาญาต์ฉะนั้นเลาเน้นให้มุ่งมินได้เข้าใจว่าอัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินเป็นสัญญาณ ลิลมุมินีสาหรับผู้ใดบ่วงผููศรัทธาที่อีมานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นจะคิดเรื่องว่าเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนเรื่องชั้นฟ้าแผ่นดินคนที่มีปัญญาคนที่เป็นมุมินเขาจะคิดในเรื่องนี้แต่ว่าคนที่ไม่อ่านกูอานเลยไม่รู้อลัลลอฮ์สร้างมาธรรมดาดวงชั้นฟ้าแผ่นดินรู้ปเปล่าชั้นฟ้าไม่มีนะยุ่งนะ่ะ แล้วเราก็เล่าแล้วก็พูดาอยาอื่นชั้นฟ้าชั้นสร้างมาไม่มีไม่มีเสาเห็นไหมใครทำได้ไม่มีคนทำได้สักคนหนึ่งคุยไปเจอกี่พันปีามาแล้วไม่มีใครสร้างชั้นฟ้าได้อตอมากับละอัลลอฮ์นายซุยยูนุสอธิบายอีกบอกว่าอินนฟิตลาฟิลไลลวันนฮาร์วามะขอลอกอัลลอฮฺฟิซซามาวะท nah ิวันอาร์อายาติลิข้ามียัตตะคุน เอาล่อให้มีกังางวันกลางคืนแล้วก็สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณสำหรับมู่มหมู่ชนที่ยัดตระกูลที่เก่งกลัวที่ใจสำรวมตนต่อรออยู่แล้วเนี่ยเข้าใจง่ายพอมองปั๊บเนี่ยเพราะว่าหลายคนนี่กับดวงอาทิตย์มีไหมมีกับดวงจันทร์มีไหมมีกรบทาไมเพราะสิ่งเหล่านี้มาบริหารมาดูแลมนุษย์ ให้กาบละลอดนุ่นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะชิริกบนโลกดุจยาไม่นี้ไม่มีนะครับเอาต่อมาอายะที่อายะที่4อิหมามซามีพูดดีนะอิมามซามีพูดบอกว่าคนอธหรมักธรรมักหมายถึงคนงโง่ยาอชษ กอยู่เพื่อกินอินละเป็นคนที่มีสติปัญญาเนยยกูลลยากุนินกินเพื่ออยู่แต่ท่านพูดอีกประโยคหนึ่งดีมากอินนัมุมินแต่ผู้สรทาต่อรอนั้นยาุด ล, ลออยู่เพื่อพักดีต่อ Allah ประโยชน์ที่สามนี่สักที่ตื่นสติเราทีนี้บางคนเนี่ยอยู่เพื่อกินจริงๆเลยนะวางแผลแล้วจะกินที่ไหนดีวะโหร้านนั้นก็ดีร้านนี้ก็ดีที่เราเชิญชวนกันเนี่ยอยู่เพื่อพักดีต่ออรรณะอยู่เพื่อเอาอิสลามนําหน้าจะเปลี่ยนแปลงคนสอนคนในบ้านเราต้องมีอิสลามต้องมีเสียงอ่นานคุณอานต้องมีเสียงนมาศ ต้องมีเสียงที่คุรุล้อต้องมีการบริจาคต้องมีการต่ออาจเชื่อฟังนอ ม, น, อ ม, อมน้อมถ่อมตนในบ้านต้องเป็นแบบนี้เราต้องนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานึกถึงแบบ น, บ, น บ, บีมหามัดนะน บ, บีไม่เคยทะเลาะ ก, กับภรรยาน บ, บีไม่เคยทะเลาะ ก, กับลูกๆไม่เคยทะเลาะ ก, กับชาบ้านน บ, บีมีเป็นหมืนหม่นๆแสนๆคนแต่น บ, บีจะให้อภยัยให้อภยัยให้อภัยคนตุลุงอิมามชัยพูดดีนะคนโง่อยู่เพื่อกิน คนฉลาดกินเพื่ออยู่แต่มุมินอยู่เพื่ออะไรรับชชยอัลล์พักดีต่ออัลล์สุบาฮานหูตะลาพี่น้องเอายสอนต่อได้เลยนะครับสาเหตุที่อัลล์ประทานกุอานสุรอนอัลยาซิยามานี่ลืมเล่านะ <c oughs> ท่านอินมาบ้าแต่รายงานบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยได้ คำกัจจาว่าด่าใช่ไหด่าพูดจาไม่ดีด่าไซ ด, นะดินาอุมัดราจะยลอน์ออันดุก่อนที่จะร้อนนะก่อนที่จะอพยศจากมักกะไปมาดีนนะเพราะว่าสุร้อนเนี่ยสุร้อนอัลยาซียาเนี่ยลงประทานที่มักกะนะไซนาอุมัดนี่ถูกดา่าเต็มๆท่านต้องการที่จะได้นะ าดายบตีต้องการที่จะจัดการจะแก้แค้นเนี่ยรอบประธานอันอันอันอันกรอ่านลงมาเนี่ยอายที่สิบสิบของของของของรอนีเนี่ยบอกว py, <im <im SI ่าให้อภัยไปการให้อภัยเป็นศาสนาบางคนให้อภัยกับลูกเมียอย่างเดียวคนอื่นกูไม่ยอมอ่ะ เองเขา้าใจศาสนาแบบไหนมีอาเรียมอุลมะอยู่คนนะพูดล ว, ว่าพวกเราเนี่ยชอบนำเอาความผิดของคนอื่นมาคุยมาวิจารณแต่ความผิดของตัวเองเต็มไปหมดน่ยไม่เคยนึกชอบวิจารณ์คนอื่นที่ทำอะไรผิดๆแต่ตัวเองไม่ผิดอ่ะทำไมไม่เตือนเ็าล่ะเตือนเขาสิด่าเขาเองเป็นกาเฟสไล่ตกนรกมีไม นี่เยอะอ่ะตาเป็นห่วงใช่ไหมล่ะผมนี่ถูกเต็มๆเลยสารพัดเลยเป็นนุ่นเป็นนี่เยอะไปหมดอ่ะถ้าถ้านั่งเฉยๆไม่ถูกด่าพอทำงานถูกด่าแต่ต้องให้อาภัยให้อาภัยให้อาภัยใอาภายใัอาภา ย, อาภายนะครับเอาต่อมาก็อายะที่เท่านะ <c oughs> อายะที่ที่สี่ออวาฟีฮอลทีกุม ว่าไม่ยับยَ้งมินดาบ์อาย ق َุลกล ي ُมีอ ن กน ن َ وَفِي خلق ุมว่าไม่ยับยَ้งมินดาบ์อาย ق َุลกล ي ُมีอ ن กน ن َดูสับกับ ว่าฟีคล ก, กิกลม ค, ค่อนขึ้นไปว่าการการบังเกิดหรือการสร้างการสร้างของสูเจ้าการสร้างมนุษย์การสร้างมนุษย์ในการบังเกิดมนุษย์ในการบังเกิดสูเจ้าเนีย่ยเราเล่าให้ฟังนะเพื่อให้หูตาเปิดกว้างอะ่ะ เ, เราสร้างมนุษย์มา วามายบุสุบัสลายบุสส์แปว่าแพร่กระจายมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองใช่หรือไม่ใช่มินดาบะดาบะปว่าสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตนี่มนุษย์ก็ใช่ใช่ไหมแพะแกะอวัวควายก็ใช่แล้วก็สัตว์เลื้อยคลายมีสัตว์เดินสี่เท้ามีสองเท้ามีใช่ไหม แต่เราสร้างมากระจายไปทั่วโลกเนี่ยนี่อัลลอฮ์ความสามารถของอัลลอฮ์มีคนถาม ว, าว่าสร้างมนุษย์มาทำอะไรอะ่ะเฉพาะในอาเซียนอย่างเดียวเนี่ยสิบสิบประเทศใช่ไหมล่ะแล้วภาษาตาตา่างกันภาษามารลวมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันแต่แถวนี้เต็มไปหมดนะ่ะสร้างมาทาอะไร ลียตาอารฟูี่เป้ามาใหญ่เพื่อให้คนมารู้จักกันไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันผมมีหลานเนี่ยไปประเทศเวียดนามก่อนไปกับมาลาผมไปเวียดนามไปได้แต่ต้องไปหามัสยิดที่ปนห่วงอะ พอหามาสัสยิดจะเจอเพื่อนแล้วคนที่เข้ามาสัสยิดนะ่ะคนเลวหรือคนดีถ้าไปเจอที่ถนนไว้ใจไม่ได้เลยถ้าเจอที่โซลสบายใจไหมเพราะคนที่เข้ามาสัสยิดก็ ค, ค, คือต้องคนคนดีนะ่ะนะคนไม่ดีไม่เข้ า, ร, า, ร, ารูโซลรําคาญผมก็แ น, นนะนําว่า น, นี้นะ่ะไปอะไรนะเวียดนามได้ แต่ต้องไปหามัสยิดให้เจอก็กลับมาเล่าเจอห้าคนเป็นคนแคนาดามีคนเวียดนามมีคนนู้นก็โอ้หลายประเทศอยู่ด้วยกันและหลานสองคนเขาแก้แก้แกแฟไฟเก่งก็ลังแก้แฟไฟสุราวกันไปช่วยฮามดี น, นี่มุสลิมต้องอยู่แบบนี้ ไปพบกันที่มัสยิดเนี่ยรู้จักกันหมดเลยใช่ไหมนะแล้วอีกคนมังก็ต้องมารักษาตัวที่เมืองไทยก็ไปเทคแคร์กันไปช่วยกันนี่คืออิสลามอะ่ะถ้าไปหาริมถนนโอ้โหนี่เลเลาเลือกสุราเป็นเซ็นเตอร์ของมุสลิมจะไปไหนมาไหนไปน้องนึกถึงสุราวก่อนจะได้พวกเดี๋ยวอังแค่นี้พอครับ วัฟเฟิลตีกุมและในการบังเกิดของสู่เจ้าวามายบุษุแล้วก็ที่พระองค์ได้ทรงแพร่กระจายออกไปสิ่งที่มีชีวิตอายาุนเป็นสัญญาณหลี่เามียูกินูนมูชนผู้เชื่อมั่นยูกินูนกว่าเชื่อมั่นที่ทบที ท, ทึที่ผ่านมาสองครั้งใช่ไหมหรือายาติลมุมินีนเป็นสัญญาณสำหรับผู้ศรัทธา เป็นสัญญาณสําหรับคนที่ตักวานี่เป็นสัญญาณของผู้ที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์พู้ได้ต่างหลายอย่างนะมุหมินก็เชื่อยูกีนูนก็ยากยากินมั่วอยากกินว่าเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ถ้าคนที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์นะการมองชั้นฟ้าก็ดีการมองกระจกกระจาก็กากกสับประสิงไปอยู่ทั่วโลกถ้าไม่อิมานเราเพิ่มขึ้นเนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเดินทางเนี่ยนบีสัง่งเดินทากคุรานสั่งนะฟาซีรูฟิลอารดีจนเดินทางบนหน้าแผ่นดินนี้ เราจะคูจะรู้จักคนเขารู้จักคนปสติปัญญา ม, มันก็ฉลาดขึ้นอะไรขึ้นถ้าอยู่กับบ้านอย่างเดียวมันก็ใ บ, บมามฉัียัยงไงนะทางคนน้ําเนี่ยมันไหลจะสะอาดถ้านั่งอยู่กับที่เนเป็นไงเน่า <c oughs> ฉะนั้นคนก็มาการใหญ่นั่งอยู่ที่อย่างเดียวพยายามอะไรนะฝัซีรูฟิลอาดฟันซูรูเดินทาง ก็อุดกุญแจสั่งนักเดินทางต้องมองเจ็ดข้อแต่ไม่ใช่วันนี้นะผ่านมาแล้วสอนมาแล้วนะเดินทางต้องพิจารณาเซเว่นซิเจ็ดรายการด้วยกันอย่างน้อยก็ภาษาต้องต้องต้อ ง, อ ง, องได้ภาษาก่อ น, นี่ยแค่ทําอุ้มร้อนนี่แหละถ้าไม่ได้ภาษาเนี่ยรู้จักคนนอนถ้าได้ภาษาเยอะๆเนี่ยโอ้โหผมเคยไป อ, อ, อุ้มร้อนแล้วก็นั่งผมเนีย น, นะวันเนี้ยตั้งใจจะพบคน จะสลามทุกคนอยู่ริมผมมาจาแอฟริกาสาวอฟริกาเนี่ยเยอะแล้วมียุคนข้างหลังผมมาจากออนุตพ้งจากใบยู่คําพรอมไอ้ควมพร้อ ม, อ อ, ม, อ, อ, ม, อ, มออนนุชความไทยแลนด์รู้จักใครบ้างรูจากไฟซซอนซอยา ว, วานันน้องชายเขาดีกว่าผมคุยบยุคควาก็นั่งคุยกับวพอมอยอ่างอ๋อมุสซาฟาอะ้เนี่ยอรอยดะยินต่ชื่อจะไม่เคยเห็นหนะ้า อากีม่ yourself, ตัวอันนี้เล่าฟังการเดินทางดีไม่ดีดีแต่ไปในนามของอัลละฮ์แต่รู้จักคนอิมาเราจะได้เพิ่มต่อมาครับอัจติฮะวะฮติลาฟิลัยลิวันฮะรวะมาอันซัลลอห์มินัสเมะมิริส์เะอ حياء به الأرض بعد موتها وتصرف الرياح آيات لقوم ينقلون واختلاف ف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من الرزق FAحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقومي ينقلون a ل, ل ح م د ل ل l อะยาเนี้ยเปิดหูเปิดตาเลยนะปิดตาคนอ่านคนอ่านน่าสังเกตนะวรรคสุดท้ายเนี้ยอะยาตุลิก قومي ينقلون ก่อนหน้านี้อายาตุลเกามียูกินูนเชื่อมัน่นก่อนหน้านี้อายาติ ล, ลิลมุมินีนแต่อายาที่สามนี้อายาตุลเกามียะกิลูนแปลว่าอะไรใช้สติปัญญาเห็นไหมอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ส่งเสริมให้เราใช้ปัญญาใช้ปัญญาตัวเองบ้าง ของที่มาตัวชายปัญญาอะไรหรือเปล่าเรื่องศาสนาเดินตามนาบีอย่างเดียวเรื่องดุญญาณช่ยชาย ช, ายชายปัญญาตัวเองแต่เรื่องอีมานตักวายากีนอิฮซานอิคลาสเดินตามรอซูลเดินตามอัลลอฮฺอย่างเดีอย่าไปคิดเองถ้าคิดเองมันเยอะอังคารเนี้ยอ่านอ่านอ่านกรอ่านดีได้ไม่ดีดีด แต่ที่อัลลอฮ์ห้ามนาบีห้ามห้ามอ่านคุรานที่กูโบโอ้โหว่าอย่างนี้ละคณะใหม่แล้วกูโบเนี่ยเขห้ามอ่านคุรานนะอ่านที่บ้านอ่านที่มัสยิดอ่านที่ไหนก็ได้แต่นกกูโบนะห้ามอ่านเพราะนาบีบอกว่าลาตาจารุบูยุตากุมกูโบรอท่านทั้งหลายอย่าทําบ้านของท่านให้เหมือนสุาสานเพราะที่สุาสานมันไม่มีอ่านกุราน และขออุทิศได้อย่างเดียวที่นบีให้รูปแบบเอาว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูศับครับอิสตีลาแปลว่าการสับเปลี่ยนหรือการอะไรนะเปลี่ยนแปลงการสับเปลี่ยนดีที่สุดอไลล์กลางคืนวันนะฮะกลางวันการสับเปลี่ยนกลางคืนและกลางวันเห็นไหมไม่ให้มนุษย์เบือ่อเป็นกลางวันอย่างเดียวเลยเป็นไง แต่ในสวรรค์นนะมีแต่กลางวันกลางคืนไม่มีไม่มีคำ ว, ว่านอนต่อไปอย่ามองอย่าลมอย่าดมมาต้องพาอาลอสจัดการยาเรียบร้อยหมดเลยห้องน้ำมาต้องมีกินอะไรไปเนี่ยออกปเป็นเหงือ่อนั่นเป็นการถ่ายโดยอัตโนมัติเหงื่อออกมาท่านจะเหม็นกลับหอมอีกเอาได้ไหมเอา ต้องรอเข้าสวรรค์ก่อนนะวะมาอันซาลอฮฺมาแปลว่าสิ่งที่อันและวะหลังลงมาที่ลงมาประทานลงมาหลังลงมาอันซาลาแปลว่าให้ลงมามินอสสามาจากชั้นฟ้ามาถึงฮะเลาให้น้ำลงมาจากช้นฟ้าไม่ใช่น้ำอย่างเดียวนะ ที่เราเห็นไอ้มองที่เรามองไม่เห็นทั้งเยอะแยะแบบนันเลยอย่างกุนารลงมาแต่ชันฟ้าเห็นไหมอ่ะบรากกาจชันฟ้าเห็นไหมไม่เห็นเราต้องเชื่อแลก็าญโยวักสุดท้ายมิริสกินเป็นเครื่องอยังชีพเป็นริสกีจากชันฟ้าเนี่ยเราจะลงให้ใครก็ได้ไม่จากชัชนฟ้าหมดเลยอ่ะไม่ใช่ฝนอย่างเดียวนะ สิ่งอื่นอื่นอีกจากชันฟ้าลงมาให้กับบุคคลที่อัลลอะหนึ่งอามานูวัตตะกาวใครที่มีอม م า ن ต่อรอเยอะๆและมีตะกว่าต่อลอแล้วก็ทำตัวดีไม่ด่าคนถูกด่าตลอดอย่างเงี้ยริสกีจะลงมาหาคนคนนั้นรู้สึกตัวไหมล่ะบางทีมาตอนตอนเราหลับ ต้องนอนต้องมีน้นํานมาดถึงจะมีบราระกัเนี่ไนะบราระกัดมันจะสั้นฟางเป็นริสกีในเครื่องปัจจัยอย่างชีพไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะบางทีเรานอนตื่นตื่นตื่นขึ้นมาวันนี้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยทําผิดเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้นึกอ่ะเราเนี่ยทําผิดตั้งหลายขอ้อยังไม่ได้ตองบ้าตัวเลยมานได้ยังไงเราเมื่อก่อนมันนึกไม่ออกอ่ะนี่ไนงะ นอนพอมีน้ำน้ำาํามันแล้วนอนมีตักวาแล้วมีน้ำน้ำาํามันแล้วมีนูน้นมีนี่ใช่ไหมมีมีดูอามีน้ําน้าํามันนอนตะแคงขวาริกันรูลอวง ก, ก่อนเนี่ยอลัลลอฮฺจะส่งริสกีลงมาจากชันฟาให้กับคนที่นอนในสภาพตามสุนนะนบียิ่งใหญ่มากครับพี่น้องอมีอาลีมอุลมามะอยู่คนมาจากดูไบคุยกับผมประมาณตอนตีสี่น 3, ตีสาึ่งตีสเนี่ยจะมีบารากัดจากชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์จากโลกอาหรับจากปากีสถานนี่แหละเขารวมตัวกันประชุมกันว่าถ้าไมานาดีกุลอานว่าสั่งให้เราตื่นตอนตีสามตีสี่เขึ้นมาแต่หัยุดเขาวิจัยกันแล้วว่ามันมีริสกีที่อลัลลอ์ให้จากแผ่นดินและชั้นฟ้าเนี่ยลงมา ใครที่ตื่นนอนแล้วก็มาสูดอากาศจะเป็นในบ้านยิ่งนอกบ้านยิ่งดีใหญ่ยิ่งเดินมามัสยิดได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะบรรยากาศในชั้นฟ้ารวมกับสู่คนคนนี้ <c oughs> <c oughs> นี่เราไม่รู้ว่าเป็นความลับที่อัลลอฮฺไม่ได้เผยให้เรารู้แต่นานๆจะให้คนเนี้พิสูจน์ได้อะไรได้นี่เป็นความดีที่ อ, อัลลอฮฺ ประทานให้กับบาวของอลัลลอฮ์บนโลกดุจยาใบนี้น บ, บีจะมองดูชั้นฟ้านะดิโโอเนี่ยอาซาบลงมาเต็มเลยฮะอาซาบลงมาเต็มเลยฉะนั้นโรคโควิดมาจากชั้นฟ้าอาซาบต่างๆมาจากชั้นฟ้าลมมาจากชั้นฟ้าลมพายุจากชั้นฟ้าฉะนั้นเราต้องการความดีใช่ไหมล่ะ มีชาวบ้านนบีอยู่คนหนึ่งลุกขึ้นนมา ต, ตะหัดยุทธแล้วก็มีม้าผูกอยู่ม้ามันดิ้นนะพออ่านกรุรานเนี่ยม้ามันดิ้นเขาก็หยุดนมาดนมาดอีกม้ามันดิ้นอีกก็หยุดไปกลั้นนมาดที่ม้ามันดิ้นก็ไปเล่าให้นบีฟังนบีว่าโอ้ตอนที่คุณนมาดนะบาตรกัดลงมาจากชั้นฟ้าบาตรกัดลงมาม้ามันเห็นแต่คุณไม่เห็น ถึงมามันกร ะ, กระโจนกระโดดนะเพราะมันเห็นนะเนี่ยห็นหัให้ยังครับเนี่ยอ่านฮะดิษจนสบายใจฉันลกลางคืนอย่า น, นอนตลอดทั้งคืนต้องลุกขึ้นมานมาอะไรนะแต่ฮันยุบบรรากาศอลัลลอฮ์ลงมาให้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่อยอายะนี้เตือนว่ามาอั ล, ลลอฮ์มิมีนัสมะมิ ร, ริสกินอะไรที่ถูกประทานลงมาจากชั้นฟ้าเ น, นี่ยนะเป็นริสกี เราสังเกตง่ายๆดิสกีนี่นะยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นด้วยตาฝ้อาหยาบีฮิลอาหยาแปลว่าชุบชีวิตชุบชีวิตให้ดีของมันตายใช่ไหมชุบให้มันดีขึ้นอาหยาชุบชีวิตอัลอัตโตแผ่นดินนี่พิสูจน์ง่ายๆแผ่นดินที่หนูหน้าบ้านเรานี่เมื่อก่อนนี่มันแห้งแล้งพอฝนตกลงมามีต้นไม้เกิดขึ้น สมัยก่อนตรงนี้มันทุ่งนาหมดตสตีคอนเนี่ยพอฝนตกเนี่ยเดินไปหาปลาเต็มเลยผมคนเดียวที่หาปลาไม่ได้ <c oughs> คนอื่นก็ได้กันหมดอ่ะฝน ต, พพตกพับตอนกลางคืนพอตื่นเช้าเดินไปกลางทุ่งเนี่ยเจอปลาเต็มเลยมาจากไหนอ่ะวันนี้มันนึกได้อลลอฮฺฟาอายาบิฮอัลอดาบะอัดามาติฮาหลังจากที่มันแห้งแล้งไม่ถึงตายแผ่นดินที่ตายด้ที่แห้งแล้งอัลลอฮฺละนะเบียรอาน ฝนตกลงมาทาให้มีชีวิตชีวารวมไปถึงคนด้วยกุรอานมาจากชั้นไหนชันฟาวาฮีมาจากชันฟาให้กับนบีวันนี้เราเนี่ยถลยวฉลาดเพราะอ่านกุรอา น, นใช่ไหม่เจ้ต้องขอบคุณาต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาในภาษานี้เก็บถึงวันเกียร ม, มาศนะไอ้นั่งเรียนซือตรงนี้นะผลลบุญ พลกระดาบอัลฮัมดุลิลลาอันนี้มันเหนื่อยเยอะมากมันนั่งนี่เหนื่อยยกมือก็เหนื่อยแต่ผลระบุนกาบอัลฮัมดุลิลลาติดตัวถึงวันจนวันเกียยมาเอาเอาไงต้องนึกขอบคุณนลลทาตามท่านอบิซอนนะครับฝาอาหยาบิฮอัลลอชุบชีวิตแผ่นดินบ้าดามาติฮาหลังจากที่มันแห้งแดงแต่จากที่มันตายไปต่อมาครับอีกเรื่องหนึ่งเราเล่ า, ลาอีกตัสรีแปล ว, ว่าหัน ผันแปรเนี่ยผันแปรอะไรนะให้ให้ให้ผันแปรกระแสของอากาศกระแสของลมเนี่ย mm hmm. ใช่ไหมเนี่ยล้อเล่าเลยนะอริยะแปลว่ากระแสลมให้ลมพัดมามีริยะมาถึงลมลมเย็นๆอย่างเงี้ฮยฮามดุลิลละเนี่ยขอบคุณอ Allah ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละ นี่อัลเล่าให้ฟังให้ชายปัญญาลุมฉันก็ส่งมามาจาอเมริกาส่งมาจากยิวส่งอัลลอ์ส่งมาทั้งหมดแต่ลืมอัลลอ์นะตัวลงว่าอาญาตุนทั้งหมดสัญญานี้ลีเกามีแกหมูชนยากตีรุนที่ชายปัญญาถ้าชายปัญญาจะเจอเลยอัลลอฮ์ันฟ้ามีริสกีลงมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ ให้ฝนตกลงมาให้แผ่นดินที่ตายแห้งแรงแล้วมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นแล้วก็ให้ลมมากระแสลมพัดบาอ๋อเนี่ยเราปิดตรงนี้จะว่าเนี่ยลมไม่ค่อยผ่านเนี่ยเราเปิดหน่อยสิลมผ่านอธิบายยังไงมีเงินถ้าบริจาคเรายังเพิ่มให้นี่แปลกนะลมเนี่ยปิดประตูตรงนี้หมดเลยเนี่ยลมผ่านไหมไม่ผ่านพอเปิดผ่าน เงินก็เหมือนการอยู่ในกระเป๋าเก็บหมดไอ้ไม่ก็ไม่เข้าอ่ะลองจาดดิสิเพราะจาดก็ผ่านนะผ่านเราอะเนี่ยมีปัญญาเนี่ยหลานแล้วกมอายาตุลีเกามียางกิลูนเป็นสัญญาณสําหรับผู้ที่ชายปัญญาเพราะชายปัญญาก็รู้เ อ, อ้ยปลมอยู่ในบ้านเราเนี่ยบ้านกว้างอธิบายยังไง ร, รู้เปล่าไม่ใช่บ้านเจ็ดสิบสองยาวเจ็ดสิบสองไม่ใช่ บ้านกว้างก็คือบ้านที่มีลมผ่านนอนในลมผ่านอัลลอฮฺละห์ทำดูลาสุขภาพแข็งแรงแต่เนี่คนบางคนอันตรบา้างต้องบ้านจะใหญ่ใๆอ่่อะแล้วบ้านนาบีเล็กหรือใหญ่เห็นไหมว่าเจอตรงนี้เขาพูดไม่ออกเลยฉะนั้นบ้านใหญ่หมายถึงบ้านที่มีลมผ่าน อ, อากาศผ่านปู่บ้านก็ต้องเป็นด้วยนะ ไม่ใช่มีที่ก็ปลตามใจชอบก็ได้ให้ลมมันผ่านได้ด้วยนะครับเอาต่อมาอายัาที่6อายัดที่หกไงทัพซิสอธิบายดีนะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเราสร้างมาเนี่ยมีสี่อย่างมีดินมีนม้ำมีลมมีไฟที่เราเรียนเรียนกันมาเนี่ยนะมนุษย์จะมีระาอบไปด้วยสีสีรายการ คนโง่มีไหมอยู่อยู่แบบดินก็มีอยู่อยู่แบบน้ำก็มีนิ่นิสัยคนท่า น, นคนก็ต้องถ้าจะให้ดีให้ขอดนาุาตต่อร่อยเยอะๆแบบน บ, บี ม, ามาุฮัมมัดต้องถุงอะไรเชือกรองเท้าขาดน บ, บีขอดนุญานะอันนี้เป็นการให้เราได้นอบ น, อออน้อมทาตนต่อร้อนนะครับต่อมาก็ปอายะที่หก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 ฟะเบอี حاد ิษ <ون> ์บัดอัลลอฮ์และอ้ายาติยูมินุฮัมดุลิละดูสับรับติลก่เหล่านี้อาจารยเล่ามาทั้งหมดนี่นะอายาตเป็นเครื่องหมายมาจากใครอัลลอฮ์สัญญาณทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นเองอัลลอฮ์จัดให้ นัทลูฮาเราได้สาทยายเราได้เล่าเราได้อ่านอะไรก็ให้กับท่านนาบีมูฮัมหมัดฟังหน้าที่นบีอะไรนะมาสอนไงบิลฮักที่ที่เล่ามาทั้งหมดเป็นความจริงสบายใจั้มใครมาข้างกันไม่ได้อมาค้ั่นมาสิ อ, อย่างเราท่าเลยอ่ะคั้ น, าาานมาที่เอาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนมนุษย์ให้ฝนตกให้แผ่นดินตายเรามีฝนลงมาเจริญงอกงามมีคนไปทั่วโลกกระจัดกระจายไปอยู่ตามทั่วโลกเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงเล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังต่อมาครับฟาบิอ้ยอันได้เล่าหะดีแปล ว, ว่าคาบอก คำบอกเล่าฮัตติสเบบคำคำบอกนบีอย่างนี้แปลว่าคำคคำบอกเล่าคำบอกเล่าอันใดเล่าบะดัลลอหลังจากอัลลอ์จะมีคำพูดของใครเล่าที่จะดีไปกว่าคำพูดของอัลลอฮ์วะอายาติแล้วก็เป็นสัญญาณทั้งหลายยุมินุนสำหรับผู้ที่ สัทธาเนี่ยลอกรทคาเท่ากันนะนอกจากอโลนเราขายนํามาให้อหลังจากอโลนไม่มีใครแล้วบ้านเลลอไอบ้านดลฮัดีสินละหลังจากของที่อโลนเล่าแล้วของจะอโลนเล่าน่ยประเสริฐที่สุดดีที่สุดถูกต้องที่สุดผ่านวะฮีมาให้กับท่านนบีประมาตเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยเรื่องโกหกไม่มีอัต่อมาครับกุรอาน บอกว่าอัลลอฮฺนั่งและอัลฮะนัลดสอัลล์ทรงประทานคำกล่าวที่ด ال. ال ียิ่งคืออัลกุรอานน์ลงมาให้กับนบีอัลให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้อะยะสุดท้ายกับไวลุลิกุลีอฟะกินอาีิวไวลุลิกุลีอฟะกินอซิมไวลูลแปลว่าะนะความวิบัต แปลภาษารราว่าความไรนะความฉิบมีหลายครั้งนะคนที่จะพบกับความวิบัตินะ่ะมีหลายอย่างเช่นนมาตถ้านมาตใจลอยลอไม่รับนมาตก็วิบัตินะคนดินินทาคนเนี่ยด่าคนเนี่ยวิบัติแน่แตอนนี้หลายคนเนี่ยพอเขานินทาเราเน่เครียดไม่เครียดทำไม เราถูกนินทาไอคนนินทามันพิษแต่เราถูกนินทากับเครียดไม่เครียดทำไมถ้าเข้าใจศาสนาแล้วไม่เครียดปล่อยให้มัดาไปสิเองบาปเองจังอย่างนี้คุณฮัสซันบสซอรีเ่เดินออกจากบ้านเดินผ่านคนบ้านหลังหนึ่งเป็นคนแขด้วมกันนี่แหละ <c oughs> นินทาด่าอยู่ในบ้านท่านเดินไปได้ยินพอดี พอกลับมาตอนเย็นบอกว่าลูกๆเอาอินทรพลมเม็ตงามๆไปให้บ้านนั้นสิลูกสาวให้ทำไมพ่อเขาด่าพ่อเขาเอาความดีจากบัญชีของเขาโอนใส่บัญชีพ่อขอบคุณอัลลอฮ์ที่พ่อไม่ต้องเหนื่อยอัลลอ์ักัพ่อไม่ต้องเหนื่อย เอาความดีมาใส่บัญชีเพราะนี่คนที่คิดได้อย่างนี้ต้องอ่านฮะดิษเยอะมากต้องเยอะครับอีมานต้องเขาเรียกว่าปักกาอิมานอิมานต้องยักินต้องมั่นคงในคําสั่งของอัลลอฮ์ละอัลลอซูลวายรุนแปลว่าอะไรนะความวิบัติอัลิกุ ล, ลีแปลว่าทุกทุกคนอัฟฟาแปลว่าผู้ที่โกหกคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮะอัลอซูลนั่นเขาเรียกว่าอัฟฟาไม่เชื่ออัลกุรอานไม่เชื่อซุนานะบีขวางซุนนะบี ไม่สุ่หน้านบีเข้าความรู้ที่ผ่านนบีไม่ให้เข้าบ้านถ้าผ่านตัวยอนอาหมดเนี้อคนเนื้ออัฟาผู้ที่โกหกอาซิมคนที่มีบาปหนาไม่ศรัทธาต่ออัลลอ์อย่าลืมนะทั้งหมดเหล่านี้อัลลอ์ให้อยู่สบายบนโลกดุนยาใบนี้อย่างฟาโรไม่เอามูซาใช่ไหมไม่เอาอิสลามมันเลให้เป็ น, ป น, ปนคิงพิ้งคงอ่ะแล้วก็ใครนะ กอรุนให้มีกุญแจไขคันคนถือคนแบกตนเจ็เจ็ดแปดคนนะ่ะอัลลอ์ให้อยู่สบายแต่ไประบากตอนไหนตอนความตายมาถึงก็หอยอ้ยอายอัลลอฮ์จ่ฉันพลาดไปแล้วขอแก้ตัวใหม่อลัลลอ์ไม่ให้ครับจากนั้นนี่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะภาษาอุดุอัจบ่าว่าอาซีมบอกว่าบาฮุดบาฮุดกุนากาคนที่ทำบาปหนา กินเล้ากินยาด่าคนทําวินาเตะเมียต่อยเมียไม่เอาเงินที่เมียชาดนี่บาปหนาทั้งหมดทะเลอกกับพ่อแม่อนนี้บาปหนาทั้งหมดยิ่งปฏิเสธอ้อปฏิเสธรซูลหันหลังให้กับอัลกุรอานนี่บาปหนาทั้งหมดเลยท่านคนที่บาปหนานี่นะก็คือคนที่ไม่เข้าใจอัลอัลกุรอานไม่เข้าใจสุนัขนบีไม่เข้าใจอิสลามแล้วก็มองตัวเองว่ากูเด่นกูแน่แบบไอ้ตู้ฮาวไปรอดไหมล่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับอัลลอฮฺ س ละกัล่าหุ่ว่าเบฮามดีก็ล่าชวาลลัยอิลลอิลลัอัสตากุสกาวะตูบอาล